จะพาดูเขาใหญ่ทําสนุกทุกไม่มีคือกายาคตาสติภาวนาชมเล่นให้เย็นใจหายเดือดร้อนผลทางจร อ, อริยวงจะไปหรือไม่ไปฉันไม่เกณฑ์ใช่หลอกเล่นบอกความให้ตามจริงจัดขันทาวิมุติสมังคีธรรม